ขอนอบน้อมต่อคุณบรัตะไตรยโอกาสนะหลวงพ่อคำเขียนพระอาจารย์ทรงศิลป์เพื่อนสัตรมิกทุกท่านจเจริญธรรมแม่ชีและญาติธรรมทุกท่านเราก็ได้มีโอกาสมาวัดในช่วงปีใหม่นี่เนาะก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะที่เราจะได้มาชำระจิตใจของเรานะ เพราะว่าการศึกษาในพุทธศาสนานี้ถ้าแยกออกมาแล้วเนี่ยก็คือเริ่มต้นในการให้ทานนะการให้ทานนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดนั้นในการเริ่มต้นในการให้ทานนะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเราจะมีความโลภในใจทุกๆคนนะคราวนี้การที่เรามีความโลภเนี่ยเขาเรียกว่าเราจะเอาอ่านะเรามีความยึดติดในสิ่งต่างๆอยู่แล้ว มีความหวงังมีความไม่ปล่อยวางในตรงนี้นะสิ่งที่จะมาแก้อาการเหล่านี้ก็คือการที่เรามีการคลายออกจากความยึดติดเหล่านั้นขณะนี้การคลายออกจากการยึดติดนั้นในส่วนหนึ่งก็คือการให้ทานนั่นเองนะการให้ทานนี้เป็นการที่เรียกว่าเราสละออกเราละความโลภ รับความตนหีในใจของเราเป็นการปล่อยวางจากความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เรามีอยู่นะครั้นี้เมื่อเราให้เป็นแล้วด้วยความไม่ตันหนีนี้นจิตของเราก็จะเกิดการคลายออกจากความยึดติดในสิ่งต่างได้ง่ายขึ้นนะมันจะเกิดการปล่อยการวางได้ง่ายขึ้นเพราะงั้นใครที่ให้ทานบ่อยๆนี่จะเห็นว่าเราอ่า จะไม่ค่อยยึดติดในทรัพย์สินมากนะบางทเาีเงินเราหายเราก็เฉยเฉยนะแล้วการที่เราจะไปคิดคดโกงใครเราก็ไม่มีนะแต่นี้ก็คือเป็นการที่เรียกว่าเราต้องให้ทานโดยที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนนะแต่ถ้าเราให้ทานโดยหวังสิ่งตอบแทนใดๆก็ดีไม่ว่าจะเป็นรูปมาความร่ารวยนะหรือสวรรค์นะหรือเรื่องบุญเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่เรามีความ หวังในสิ่งตอบแทนนั้นชื่อว่าเรายังเป็นการให้ที่มีการเอาอยู่นะการให้ที่มีเงื่อนไขมีการเอามันก็จะเป็นราคะในใจเพราะมันจึงละราคะและความโลภเนี่ยไม่ได้นะแต่ถ้าเราให้โดยไม่ต้องหวังสิ่งตอบแทนใดๆเลยมันเป็นการที่มันละราคะและความโลภโดยเราไม่รู้ตัวมันเป็นการที่เราคลายออกะจากการยึดติด นะเพราะฉะนั้นคนประเภทนี้จะอไปบัติทําได้ง่ายนะซึ่งตรงกันข้ามกับผู้ที่หวังจะเอานะคือเป็นผู้ที่ไม่ค่อยให้ทานนะพวกนี้จะมีความโลภนะมีความเห็นแก่ตัวมีความยึดติดนะยัง น, ยน้อยก็ยึดติดในทรัพย์สินแล้วละ่ะพวกนี้จะบัตธรรมยากนะเพราะใจเนี่ยนะเป็นการมีความยึดติดได้ง่ายแล้วก็ไม่ปล่อ ย, อยง่าย ตรงนี้จึงปฏิบัติธรรมในได้ผลยากเพราะฉะนั้นการให้ทานนี้จึงถือว่าเป็นการเริ่มต้นในการปฏิบัติธรรมนะที่ถูกต้องแต่ก็ต้องให้ทานด้วยความวางใจที่ถูกต้องด้วยว่าเราทําเพื่อที่จะปล่อยวางความยึดติดจริงๆละคายความตนนจริงๆไม่หวังสิ่งใดในการที่จะได้รับจากผลทานนั้นแม้ได้นิดเดียวตรงนี้จะได้บุญสูงมากนะ แต่ถ้าเราทําโดยหวังสิ่งตอบแทนนะเช่นทําไปแล้วก็ขอให้ถูกลังวันนะหรือได้ไรับอะไรมันก็เจือปนด้วยนะโทรเนะจอปนด้วยความโลภอันะเป็นตันหานะบุญก็ได้น้อยลงนะหรือจะไม่ได้บุญด้วยนะเพราะว่ามันเป็นการนะจิตกุศลซึ่งมีอวุโสเข้ามาแทรกอยูนะ่บุญก็จะน้อยลงนะตรงนี้เราถ้าให้ทานด้วยความถูกต้องแล้วนะเราจะเห็นว่าจิตของเราเนี่ยเบา เราคลายออกนะอยงบางทีเราอาจจะทาอาหารไปถวายพระเราก็คอยดูพระจะตักของเราไหมนะหรือของเรากลับเข้าถวายไปแล้วจะกลับมาเหลือเยอะไหมพอไม่ตักของเรานะแล้ว เ, เหลือเยอะๆเราก็รู้สึกไม่ค่อยสบายใจนะเพราะเราก็ยังให้ทานไม่เต็มที่นะยังไม่ได้เป็นจาคะแต่ถ้าเราถวายไปแล้วท่านจะฉันหรือไม่ฉัน จะใช้หรือไม่ใช้ก็ไม่เป็นไรนั่นแหละเป็นจาคะจากเราแล้วนะั่นก็คื อ, อสละจากเราไปแล้วนียเราก็ไม่ได้ยึดติดที่ตรงนั้นจิตเราก็มีความ เ, าเบากายเบาใจไม่ได้ยึดมั่นอะไรเลยนะตรงนี้มันก็เป็นการที่เราสามารถปล่อยวางได้จริงๆนะเพราะฉะนั้นก็เริ่มต้นในการให้ทานนั่นแหละนะการให้ทานก็ให้ได้ทั่วๆไปนะไม่ใช่ว่าต้องให้แต่เฉพาะวัด หรืออะไรสักอย่างหนึ่งแต่ก็ทุกอย่างยังที่ว่าให้ทานกับสัตว์ประานก็ได้อนิสง์มากมายหรือให้ทานคนไม่มีศีลก็ยังได้ออนิสงฆ์มากมายแต่การให้ทานที่สูงสุดก็คือการให้ทานแบบสังฆท า, านเพราะสังฆท า, านเราก็ไม่ได้ยึดติดนในผู้ใดผู้หนึ่งนะบางทีคนสมัยนี้ก็นึกว่าการให้ถวายสังฆท า, านก็คือการนำถังไปถวายพระทังเหลืองนะ การถวายสังฆทานจริงๆก็หมายความว่าถวายทานเพื่อเป็นประโยชน์กับสงฆ์ไม่จําเพาะเจาะจงนั่นเองเนาะแต่ถ้าเจาะจงก็คือปาติบูริกทานแล้วก็ได้บุญน้อยในตรงนั้นนะถ้าระวังใจในการให้ทานให้ถูกก็เป็นการปฏิบัติธรรมแล้วก็สามารถก้าวลาในตัวได้ด้วยประการต่อมาก็คือศีลนะเรื่องทานนี้ก็มาอย่างที่ว่านะก็คือยิ่งให้ก็ยิ่งได้นั่นเองเนาะต่อมาก็คือศีลนะศีลนี่เป็นเครื่องที่เรียกว่า ทําให้ใจิตใจเราใน ม, มีกรอบในการอยู่นะจิตก็จะไม่โดลดโผนะออกจากนอกกรอบนั้นนะแต่ถ้าใครไม่มีศีลนี่อย่างวันนี้ก็จะเริ่มผิดศีลกันเยอะนะไปทานสุราบ้างนะอะไรต่างๆนะไปลื่นเลอะเบิ่งเทิงใจนะพอลื่นเลอะเบิ่งเทิงใจก็จะมีสิ่งต่างๆตามมานะนะเป็นการที่เรียกว่าผิดศีลได้ง่ายที่สุดนะจากการที่เรียกว่าศีลทั้งหมดนี่แหละมันก็รักษาไม่ได้ จากการขาดสตินะพอเรารับประทานอันดื่มเล่าไปแล้วทั้งอย่างอื่นก็ทําได้หมดเลยน ะ, ะไม่ว่าจะการอาฆาตศัตรูลักทรั พ, รพย์ผู้พิจนายนกรรมโกหกหอกลวงทั้งหลายแหลก็ตามมาได้หมดเพราะจิตใจก็ไม่มีเครื่องยึดเหนี่ยวไม่มีกรอบอที่จะควบคุมจิตใจของเราเป็นเหตุให้เนินชาน้าในการปฏิบัติธรรมจิตใจก็ตกต่ำไปเรื่อยๆนนัไหลไปในทางอบายภูมิอบายามุกทั้งหลายแหล่เนาะ ค น, นีศีลห้าเนี่ยเหมาะสำหรับคนทั่วไปนะแต่ถ้าเป็นศีลนะศีลแปดขึ้นมานี่ก็เป็นการตีวงให้แคบเข้ามาอีกเนาะก็เป็นกับว่าให้เราสามารถลักิเลสได้บางอย่างแล้วนะเช่นบางทีเราอยากจะรับประทานอาหารเย็นนะเป็นการตามใจกินเลยแล้วก็รับประทานไม่ได้ก็เป็นการฝึกให้ใจของเราเนี่ยมีกรอบมากขึ้นให้มีความอดทนในสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะอ่าต่อมาก็ทาให้เรา อ่าสินเขาตอมาเราก็ดูการะเล่นไม่ได้อีกนะอันนี้เป็นเรื่องที่ว่ายิ่งตีกรอบเข้ามานะเพราะจริงๆแล้วทุกวันนี้ที่จิตใจเราตกต่ำหรือเราไปปฏิธรรมได้ช้านี่ยแหละก็เพราะเราไปติดการะเล่นทั้งหลายนะที่เราไม่รู้ตัวนะยังใครมีโทรทัศน์เดี๋ยนี้ก็จะดูข่าวการเมืองนะดูละครนะดูสิ่งต่างๆในโทรทัศนะ์ก็ไปปรุงแต่งจิตใจเราก็รู้ไม่ทันนะมันก็เป็นสิ่งที่ว่าทําให้เราเนินช้าในการปฏิธรรม หรือเราไปคอยประดับทัดทรงตกแต่งรูปไล้ผิวให้มีความสวยงามนี่ก็เป็นการไปยึดติดในร่างกายของเราอีกต้องคอยดูแลเขาต้องคอยทะนุถนอมต้องคอยแต่งให้เขาสวยงามนะก็เป็นการเพิ่มกิเลสในใจเราเมีัตาโตตนขึ้นมาโดยเราไม่รู้ตัวสีเราเนี่ยก็เป็นเครื่องที่เรียกว่าให้เราป้องกันกิเลสที่จะเกิดขึ้นทางทางจิตใจทาง ตาหูจมลิ่นกายใจได้ง่ายขึ้นนะแล้วก็การไม่นั่งนอนบนที่นอนสูงใหญ่ก็เพื่อไม่เกิดราคานะเพราะการที่เรานั่งนอนบนที่นอนสูงใหญ่นี่ก็ทำให้เกิดลาคะได้ง่ายขึ้นนะแล้วก็มีการยึดติดในความสะดวกสบายต่างๆนะพอเราอยู่ในที่สบายเราก็ไม่ไม่อยากออกมาอยู่ในที่ลำบากนะไม่อยากาออกมาเผชิญโลกแห่งความเป็นจริงนะเราก็ไปยึดติดในความความสุขความสะดวกสบายมากขึ้น ก็ป้อง ก, กันกิเลสต่างๆเหล่านี้นะเพราะศีลก็คือป้อง ก, กันกิเลส่างหยาบกันเองเนาะถ้าบุไดรักษาศีลแล้วอันนี้ก็เป็นพื้นฐานในการที่เราจะปฏิบัติธรรมในก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆนะแต่ถ้าบุไดไม่มีศีลนี้อก็จะปฏิบัติธรรมได้ช้าแล้วก็ไม่ก็ได้ผลเพราะศีลนี้เป็นพื้นฐานของการปฏิบัติธรรมเมื่อมีศีลแล้วเนี่ยก็มีสติมีสมาธิมีปัญญาตามมาเพราะจิตใจนี่มีพื้นฐานแห่งการรองรับ ที่มั่นคงนะเหมือนกับเรามีฐานนะสร้างตึกเนี่ยห้าชั้นสิบชั้นต้องมีฐานที่มั่นคงนะฐานที่มั่นคงก็คือสีนั่นเองนะถ้าไม่มีสีที่มั่นคงแล้วเนี่ยสร้างไปก็ไม่สำเร็จนะหรือก็ถล่มลงมาได้ง่ายเนาะต่อมาประกาศสุดท้ายก็คือการเจริญภาวนานะเจริญภาวนาก็คือการปฏิบัติธรรมนั่นเองนะการปฏิบัติธรรมนีนะ้เป็นผลทางสุดท้าย ที่จะนําให้เราพ้นทุกข์ได้นะจริงๆแล้วในพุทธศาสนานี้ถือว่าโดดเด่นกว่าศาสนาอื่นนะเพราะว่าศาสนาอื่นๆเขาก็มีเรื่องทาเรื่องศีลอยู่ในระดับหนึ่งนะแต่ว่าเขาไม่ได้ปบัติเพื่อการพน้นทุกข์เพราะฉะนั้นอาจจะถือได้อย่างอย่างนี้ว่าศาสนาอื่นๆนั้นอาจจะเป็นแค่จริยธรรมเท่านั้นเองนะหรือว่าเป็นการเคารพศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้าก็เป็นสิ่งที่ดีทําให้เขาเป็นคนดีนะเป็นคนไม่ทําชั่วได้ในระดับหนึ่ง แต่ว่าการถึงความ้นทุกข์นั้นก็มีเฉพาะในผู้ศาสนาเท่านั้ น, นเพราะว่าไม่ได้ไปติดอยู่เพียงแค่การทําความดีหรือจริยธรรมแต่ว่ามเีเส้นทางที่ชัดเจนว่าเราอาจจะต้องไปบัติให้ถึงซึ่งความ้นทุกข์เนี่ยให้ได้เพราะฉนั้นใครที่คิดว่าเราเกิดมาชาตินี้แล้วเราแค่ให้ทานรักษาศีลก็พออันนี้จริงๆแล้วศาสนาอื่นก็มีอยู่แล้วแล้วก็ไม่ใช่เป็นความประสงค์สูงสุดของผู้ศาสนา พระพุทธเจ้านี่ท่านก็ได้ทรงบําเพ็ญบา ร, รมีมามากมายก็เพื่อที่จะสั่งสอนให้เวนยศัตว์นั้นถึงซึ่งความพ้นทุกข์หรือเสริงถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้ทั้งหมดนะท่าไม่ได้สอนแล้วต้องไปนิพพานในชาติอื่นหรือทําแค่ทานเรื่องทำกระสีอันนี้ไม่ใช่พระพุทธเจ้าได้ทรงชี้มากมายวัานี่คือทุกข์นี่คือเหตุให้เกิดทุกข์ อันนี่คือความดับทุกข์นี่คือขนทางฏปบัติเพื่อความดับทุกข์เป็นอย่างไรนะก็คือพระพุทธเจ้าได้ชี้ทางแห่งความดับทุกข์ไปแล้วนะอยู่ที่ว่าเราจะทําตามท่านไหมอ่นะซึ่งจุดประสงค์จริงๆก็คือให้เราดับทุกข์มากกว่าอ่นะคราวนี้เมื่อเราเข้าใจเช้นนี้แล้วเราก็จะเห็นว่าชีวิตเรานี่มีน้อยนักนะอย่างบางทีเราคิดว่าเราเนี่ยเออชีวิตเรายังอีกยาวอ่นะแต่ถ้าเทียบกับเวลาในจักรวาลแล้วเนี่ย ชีวิตเราเนี่ยสั้นๆ น, นิดเดียวเท่ากับสายฟ้าแลบเท่านั้นเองนะมันแป๊บเดียวท่านเองไม่ได้มีเวลานานอะไรหรอกและอย่างหนึง่งการที่เราได้เกิดมนุษย์นี้ก็เป็นสิ่งที่ยากยิ่งนะเพราะว่าสิ่งที่เป็นไปได้ยากนะหรือว่านะเกิดขึ้นได้ยากนะก็มีอยู่สี่ประการนะก็คือการได้เกิดเป็นมนุษย์นะการเกิดมนุษย์นี่จริงๆแล้วยากมากไม่ใช่เป็นสิ่งที่ง่ายนะถ้าเปรียบเทียบก็คือเหมือนกับ เต่าตาบอดตัวหนึ่งซึ่งร้อยปีก็จะโผล่ะศรีรษะขึ้นมาเหนือมาหาสมุทรสักครั้งหนึ่งนะแล้วบนมหาสมุทรนี้ก็จะมีล้อเกวียนล่องรอยไปมานะตามใดที่เต่าเอาศรีรษะนี้โผล่เข้าไปในล้อเกวียนได้เมื่อไหร่นั่นแหละคือการได้เกิด ม, น, มนุษย์สักครั้งหนึ่งนะซึ่งยากมากอ่นะเพราะเป็นเต่าตาบอดด้วยนะเต่าตา ด, ด, ดีก็ยังไม่รู้จะโผล่ได้ตรงเมื่อไหร่นะ แล้วก็ได้ทรงเปรียบเทียบอย่างนี้ว่าครั้งหนึ่งผู้เจ้าก็ได้ทรงใช้เล็บช้อนฝุ่นที่ติดในพื้นดินขึ้นมาแล้วถามว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายฝุ <ple asure> ่นที่ติดปลายเล็บของเรากับฝุ่นในมหาปฏิพีอย่างไหนจะมีมากกว่ากันภิกษุทั้งหลายก็ตอบว่าฝ <ple asure> ุา <ullah> ่นที่ติดปลายเล็บของพระเจ้านั้นเทียบไม่ได้กับฝุ่นในมหาปฏิพีเลยพระเจ้าบอกว่าฉันใดก็ฉันนั้นผู้ที่ตายไปจะกำเนิดต่างๆแล้วจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกมีน้อยเท่ากับฝุ่นที่ติดปลายเล็บเราเท่านั้น ส่วนที่ตายไปแล้วต้องไปเกิดในกําเนิดอื่นๆนั้นมีมากเท่ากับฝุ่นในมหาปฏนะิพีเพราะนั้นสาธิก ต, ตายไปแล้วจะเกิดมนุษย์เนน้อยมากเนาะไปเกิดในในภูมิอื่นนี่มากง่ายมหาศารเพราะมีถึงสารเด็ดภูมินะคราวนี้เราจะดูว่าเออจริงไหมที่ตามบู้าบอกเช่นนั้นอันนี้เราเป็นสิ่งที่เราพิสูจน์ได้ในสายต า, างเราเลยนะเพราะมีสารเด็ดภูมิก็จริง <c oughs> แต่ สิ่งที่ตาเรามองเห็นก็จะมีแค่สองภูมิ น, นั้นก็คือภูมิมนุษย์และสัตว์เดรัจฉานเนะทียบแค่สองภูมินั้นนั้นนะว่าสัตว์เดรัจฉานกับมนุษย์อย่างไหนจะมากกว่ากันนะอันนี้เทียบก็ไม่ติดนะก็คือสัตว์เดรัจฉานนี่มากกว่ากันมากมายอย่างในเฉพาะวัป่าสัวโตนี่ตอนนี้มีมนุษย์อย่างเต็มที่ก็สักสองร้อยคนเป็นอย่างมากนะแต่สัตว์เดรัจฉานนี่เป็นพันพลานนะเฉพาะปวกเฉพาะมดนี่ก็เข้าไปนําให้ทั่วแล้วนะมีมากจริงๆนะ แล้วเพราะนั้นทั้งโลกนี้ก็มนุษย์นี่น้อยกว่าสัตว์เดี้ยงชานี่นับไม่ได้นะเป็นต่างกันอย่างมหาศาลเลยอันนี้เพราะเราเห็นด้วยตานะแต่พบภูมิบึงที่เรามาไม่เห็นอีกเยอะแยะเน้นมากกว่ามนุษย์อย่างมหาศาลทีเดียวเพราะฉะนั้นการที่เราได้เกิดเป็นมนุษย์นี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ยากยิ่งแล้วก็เป็นอนลาบอันยิ่งใหญ่นะอย่างที่เรียกว่ากิจโฉมนุสสะปฏิลาโภการเกิดเป็นมนุษย์นั้นเป็นลาบอันยิ่งใหญ่ แล้วเมื่อได้เกิดมาแล้วเนี่ยก็มีชีวิตรอดอยู่นะเพราะการที่เรารอดอยู่ทุกวันนี้ก็เป็นบุญของเราแล้วนะคนที่ตายก่อนเรามีมากมายคนที่อายุน้อยกว่าเราก็ตายก่อนเราก็มีมากมายนะและ้วเราเป็นปกตินี้ถือว่าเป็นบุญมากแล้วนะอะถ้าใครคิดว่าเราเป็นปกตินี้เราอใช้ไหมมันไม่พอใจอันนี้ก็ถือว่าเราไม่ไม่เข้าใจความจริงนะเพราะคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยบางคนเป็นมะเร็งเป็นโรคเอด ถือเป็นเบาหวานนี่เขาจะทุกกว่าเราเยอะเลยน ะ, ะถ้าเงินลอยล้านมาแรกกับการที่เขาเป็นเนี่ยเขายังยอมแลกเลยนะเพราะฉะนั้นการที่เรามีความเป็นปกตินี่แหละถือว่าเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่แล้ว อ, อย่างที่เรียกว่าโรคยาปรามาลาพานะความไม่มีโรคเป็นลาบเป็นอย่างยิ่งเนาะถ้าคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยเป็นมะเรง็งนอนในโรงาบาลเนี่ยมีเงินลอย ล, ายลาย้านนี่เขาไม่มีประโยชน์ะไรเลยแม้แต่นิดเดียว แต่ถ้าเราไม่มีเงินขนาดนั้นแล้ว เ, เรายังมีชีวิตอยู่ปกติได้นี่ถือว่าเรามีบุญแล้วนะประการต่อมาได้พบพระพุทธศาสนาอันนี้ก็เป็นความที่เรียกว่าหาได้ยากยิ่งเหมือนกันนะพระพุทธศาสนานี้ไม่ว่ามีในทุกยุคทุกสมัยถ้าเป็นยุคพุทธันดอนซึ่งไม่มีพุทธศาสนานี้เราก็ไม่ได้พบพระพุทธเจ้าไม่ได้พบพุทธศาสนาเช่นกันนะเพราะว่าไม่มีพระพุทธเจ้ามาแสดงธรรมในยุคนั้นนะเราก็จะอยู่ในยุคที่ มีการเข็นฆ่ากันมีการทำร้ายกันแล้วอยู่ในยุคของโมหะซึ่งเราจะทำบาป ท, ทำกรรมได้ง่ายเพราะเราไม่มีเครื่องที่เป็นเครื่องเป็นเครื่องที่ตีกรอบให้จิตของเราให้มีศีลห้าเราจะทำทำผิดอย่างมหาศาลแล้วเราก็ต้องไปเกิดในภพภูมิที่อไปในทางใบภูมิอย่างยาวนานนะอันนั้นยิ่งอันตรายนะเพราะเราก็ได้พบพุสนานี้แล้วในยุคนี้ แล้วก็เป็นพูทธนาที่สมบูรณ์ด้วยคําสั่งสอนของพระพุทธก็ยังอยู่ครบถ้วนนะไม่ได้หายไปไหนเลยนะมาในรูปของพระไตรปิฎกนะแล้วก็ครูบาอาจารย์ท่านก็ยังดํารงคําสั่งสอนนั้นได้จนทุกวันนี้นะก็เป็นบุญที่พวกเราได้ศึกษาอระพุทธนาที่ถูกต้องมาไม่ได้ห่างหายไปไหนเรืีกการหนึ่งนะที่ว่าถูกต้องแล้วไม่ถูกต้องก็ดูว่าเออ เราสามารถไปบัติเป็นพระยรูโ บ, บุคคลได้ไหมในชาติปัจบันนะอันนี้ซึ่งก็เป็นความที่เรียกว่าเป็นไปได้ในปัจบันนี้นะ่เราสามารถพิสูจน์ได้โดยตัวเราเองนะว่าถ้าเราไปบัตรได้ถูกทางแล้วเนยะกิเลสในใจเราก็ลดลงความทุกข์เราก็ลดลงนะสิ่งเหล่านี้สามารถพิสูจน์ได้ว่าเรากาปรปฏิบัติธรรมเหล่านี้ก็ยังได้ผลจริงๆแล้วเราก็ถูกต้องตามเพื่อพุทธศาสนานะมันเป็นไปหนทางที่ถูกต้องนะอย่างแท้จริงในตรงนี้นะ และการพบพุทธนานี้นะเป็นเรื่องที่ว่าเร า, าได้พบแล้วเนี่ยเราเราจะทําอย่างไรกัาต่อไปนะก็คือประการที่สี่เมื่อพบพุทธนานแล้วก็ได้ฟังธรรมและได้ปฏิบททัติธรรมอันบัดเสฐนั้นเราได้ทํำไหมนะอคราวนี้ก็เป็นความที่เรียกว่าเป็นบุญอของชาวผู้ส่วนใหญ่ในระดับหนึ่งนะโดยเพราะที่เรามาวัดป่าสัวโตนี้นะหรือไปวัดอื่นๆก็แล้วแต่นะอเราได้ม า, าฟังธรรม อ่าเราได้ปฏิบัติธรรมอันมาเสริญนั้นนะอันนี้ถือว่าเป็นบุญนันยิ่งใหญ่แล้วเพราะเมื่อเราพบพุทธาสนาแล้วเราไม่ทําในสิ่งเหล่านี้ก็เหมือนกับเราเป็นไก่ได้พลอยนะอ่าไก่ได้พลอยเท่านั้นเองก็ไม่ร่วมไก่พลอยมีค่าอย่างไรก็บอกว่าสู้ข้าวเปลือกเมล็ดหนึ่งก็ไม่ได้นะเพราะคนที่พบพุ <k S 2> <and S 1> ทธานานี่ก็มีมามายที่ไม่สนใจการประพฤติปฏิบัติธรรมไม่สไม่สนใจการจริญชำระจิตของตนให้ถึงซึ่งความขาวรอบถึงซึ่งความบริสุทธิ์ผ่องใส นะก็เหมือนก็ได้เกลือกินด่างนะได้พบของดีแต่ก็ไม่รู้จักของดีนั้นนะก็เป็นสิ่งที่เราว่าเขาไม่ได้ประสบพุทธศาสันาจริงๆเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้พบนะพุทธานาแล้วเนี่ยเราก็มาทําประการสุดท้ายให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์นะก็ใช้เวลาสั้นๆที่เรามีชีวิตอยู่นี่แหละมาดําเดินในหนทางเหล่านี้นะเมื่อเราทําในสิ่งเหล่านี้เต็มที่แล้วนะเขาจะพ้นทุกข์หรือไม่พ้นทุกข์เราก็ไม่เสียใจนะ แต่ถ้าเขาไม่พ้นทุกก็ถือเป็นการต่อยอดไปในภพชาติต่ อ, ตอไปเพราะจริงๆแล้วนี่มันเป็นการต่อยอดได้นะเหมือนกับครูบาอาจารย์นี่บางทีท่านสำเร็จทําได้ง่ายนะปฏิบัติแค่ไม่กี่วันท่านก็บรรลุธทำแล้วอันนี้ก็เกิดจากบารมีเก่าที่ท่านเคยทํามาก่อนนะเพราะในระดับหนึ่งพอท่านมาฟังทำหรือปฏิบัติรำอีกเล็กน้อยท่านก็บรรลุทำได้มากมายนะอันนี้ยกตัวอย่างอย่า ง, างเช่นพระพายะเป็นต้น พระพายันี่ในชาติก่อนที่จะเกิดในยุคของพระเจ้าปัจจุบันท่านก็เป็นบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์เหมือนกันนะแล้วท่านก็อ่าทุกการไปฏิธรรมท่านตอนนั้นยังไม่เต็มที่ท่านก็เลยชวนพระอีกห้าลูกขึ้นไปบนบุคคลพอขึ้นบนบูเขาแล้วท่านก็ผักอบันไดตกลงมาเลยอหมายความว่าขึ้นไปแล้วก็จะลงมาไม่ได้อีกแล้วก็ตั้งกติกาว่าทุกคนจะตั้งใจปฏิธรรมถ้าปฏิธรรมไม่สําเร็จก็พร้อมจะตายบนบูเขานั้น ปรากฏว่าปฏิบัติธรรมวันแรกก็มี อ, องค์หนึ่งก็สําเร็จเป็นพระหันแล้วก็พอไปบินบาศแล้วก็จะมาเลี้ยงอีกสี่องค์อีกสี่องค์ก็ไม่ฉันบอกว่าต้องปฏิบัติธรรมด้วยตัวเองนะก็เบอกว่าสําเร็จเป็นพระหันสามองค์อีกองค์หนึ่งสําเร็จเป็นพระนาคามีพระพายะไม่ได้สําเร็จเป็นลายอะไรเลยนะก็ตายบนภูเขานั่นแหละแต่ก็ตายด้วยความาตั้งใจปฏิบัติธรรมอย่างเต็มที่แล้วด้วยอานอิสงส์นั้นก็นําให้มาเกิดเป็นพระพายะใน ชาติในยุคปัจจุบันหรือในชาติพุทธกาลนะก็มาเกิดเป็นพ่อค้าค้าขายทางเรือสำเพอนะแล้ววันหนึ่งก็สัมเพาก็ล่มแล้วท่านก็ว่ายน้ําขึ้นฝั่งนะก็เสื้อผ้าก็หลุดรนะุ้ยแล้วก็ขึ้นมาบนฝั่งแล้วกนะ็ชาวบ้านก็เห็นท่านก็ไปหาใบไม้มานุ่งชาวบ้านก็เห็นว่าโอนี่เป็นพระหรหันแล้วน ะ, ะไม่ไม่ยึดติดในอะไรเลยแต่ท่านก็รู้ว่าท่านไม่ได้เป็น ต่อมาก็ได้ได้ข่าวว่าพระเจ้าในเกิดขึ้นาในโลกแล้วเนี่ยท่านก็ทนอยู่ไม่ไหวท่านก็เดินทางไปเฝ้าพระเจ้าทั้งวันทั้งคืนนะไปพบพระเจ้านั้นกําลังบิณฑบาตอยู่ท่านก็ไปขอฟังธรรมพระพุทธเจ้าก็ไม่แสดงธรรมให้ฟังก็งขอขั้นที่สามจึงแสดงธรรมให้ฟังสั้นๆว่าเห็นก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินรู้ก็สักแต่ว่ารู้ทราบก็สักแต่ว่าทราบ เมื่อนั้นท่านจะไม่มีในโลกนี้ท่านจากไม่มีในโลกหน้าท่านจากไม่มีในโลกทั้งสองนี่แหละคือที่สุดแห่งทุกข์ละนะเพราะได้ยินเท่านี้ท่านก็บรลุเป็นพระรหันต์เลยนะก็เลยคนก็สงสัยทําไมท่านบรรลุง่ายขนาดนั้นนะอันนี้จริงๆแล้วส่วนนึ่งก็เป็นบา ร, รมีเก่าของท่านนั่นเองนะท่านก็สั่งสมมาเยอะแล้วนะคือบา ร, รมีแก่รอบแล้วนะเหมือนกับน้ําเนี่ยที่ต้มมาในความอุ่นระดับหนึ่งแล้วถึง อ่าหกสิบองศาเมื่อต้มต่ออีกไม่นานก็เป็นร้อยองศาได้นะแต่ถ้าใครไม่เคยต้มมาก่อนก็เป็นศูนองศาก็ต้องต้มนานนะก็เพราะบารมีเก่าท่านแก่รอบแล้วท่านฟังทําในนี้ก็บรรลุทําได้เลยนะเป็นพระหรหันได้เลยนะและอีกอย่างหนึ่งสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงแสดงในขณะนั้นเป็นธรรมะที่เรียกว่าสําคัญแล้วก็ถือว่าอยู่ในระดับสุดยอดเลยนะคําศัพท์ตะวันนี้ถ้าใครที่ปฏิบัติธรรมแล้วนะจะเห็นว่า ตรงนี้เป็นธรรมะที่สูงสุดจริงๆนะคำว่าสักแต่ว่านะเห็นสักแต่ว่าเห็นได้ยินสักแต่ว่าได้ยินก็คือสามารถตีความหมายเป็นในอายรัสนาทั้งหมดเลยก็เห็นสักแต่ว่าได้เห็นได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินได้กลิ่นก็สักแต่ว่าได้กลิ่นอสัมผัสก็สักแต่ว่าสัมผัสรู้รสก็สักแต่ว่ารู้รสนะใจนึกคิดก็สักแต่ว่าใจนึกคิด เพราะนั้นเมื่อเราสักแต่ว่าในอายตนะทั้งหกได้มันก็กลายเป็นรู้เฉยๆนั่นเองนะรู้เฉยๆอ่ซึ่งการรู้เฉยๆก็คืออ่าเหมือนกับสภาวะที่หลวงพเทียนท่านก็ได้บอกไว้ว่ารู้เฉยๆอะเพราะนั้นการที่เรารู้เท่าทันอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นนะอะ่การเท่ารู้อารมณ์ต่างๆเหล่านั้นแล้วเราแค่รู้เฉยๆตรงนี้มันก็คือการที่เราสามารถที่จะปล่อยวางในสภาวะอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นได้อ่า ก็คือการที่เราไม่ติดในทุกๆอารมณ์ไม่ติดในทุกสภาวธรรมมันจะเป็นการปริธรรมที่ถือว่าเราผ่านทุกอารมณ์ทุกสภาวธรรมเลยนี่เราก็คือคำศัพท์แต่ว่าหรือรู้เฉยๆนั่นเองนะตรงนี้ถ้าใครทํำในตรงนี้ได้ก็เป็นเรียกว่าสติเรามีจิตตั้งมั่นแล้วก็เป็นจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะเพราะเป็นการที่เราไม่ติดในทุกสภาวธรรมทุกอารมณ์แล้ว มันก็เป็นจิตที่เบิกบานอยู่ในตัวนะมันก็จะปล่อยวางจากทุกทุกสิ่งที่บังเกิดขึ้นในตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อกระทบรูปรสกลิ่นเสียงผดทพพธรรมลมมันก็จะไปตรงในพระสูตรที่พระเจ้าได้ทรงแสดงว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพื่อ่าเพิดเพลินอ่าไปในอ่าตาหูจมูกลิ้นกายใจอ่าเพิดเพลินในรูปรสกลิ่นเสียงผดทพพธรรมลมอ่ผู้ใดที่เพิดเพลินในสิ่งเหล่านั้น เรากล่าวว่าเป็นผู้เพลิดเพลินอยู่ในความทุกข์ผู้ใดที่ไม่เพลิดเพลินในอสิ่งเหล่านั้นที่ว่าเป็นผู้ที่ไม่เพลิดเพลินอยู่ในความทุกข์เรากล่าวว่าผู้นั้นจักพ้นจากความทุกข์ไปไดนะ้เพราะฉะนั้นการที่เราเพลิดเพลินนั้นอก็เพราะเราไปให้ค่ากับอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในรูปรสกลิ่นเสียงผดทะพะธรมมลบนั่นเองนะแต่เมื่อเราไม่ให้ค่าไม่สนใจไม่เกี่ยวข้องด้วย นั่นก็คือการรู้เฉยหรือสักแต่ว่าที่พระเจ้าได้ทรงแสดงให้กับผ้าพา ย, ยาฟังนั่นเองนะแล้วผู้ใดที่ไม่เพลิดเพลินในอารมณ์านั้นพระเจ้าก็เลยทรงตัดแล้วว่าผู้นั้นจะพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงไปได้นะเพราะฉนั้นในความเพลิดเพลินนั้นก็คืออาการสาคัญก็คือเรื่องใจของเรานี่แหละที่เราจะไม่ไปเพลิดเพลินอในอ า, ารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเแล้วก็จะตรงกับคําสั่งสอนของออพระพุทธเจ้าอีกระดับหนึ่งนะที่ทรงแสดงให้กับ มาลุงอัยะบุตรฟังนะมาลุงอัยะบุตรนี่ก็ถามพระเจ้าว่าข้าพระองค์อายุมากแล้วอะจะไปรทำอย่างไรจึงได้ผลเร็วพรนะพุทธเจ้าก็บอกว่ามาลุงอัยะบุตรเธออย่าเพลิดเพลินในอรมณต่างให้ละอารมต่างให้เร็วเหมือนกับกระพิบตาชั้นนั้นนะแล้วก็เห็นก็สักแต่ว่าเห็นรู้ก็สักแต่ว่ารู้ทราบก็สักแต่ว่าทราบได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินคล้ า, ายๆพนะ ร, ระภัยยะะมาลุงอยบุตรก็บรรลุธรรมนะเป็นภริยาเจ้าชั้นสูงเช่นเดียวกันนะ การที่เราเพลิดเพลินในอารมณ์ต่างๆนั้นก็เป็นการที่เราไปติดในสภาวธรรมอติดในอารมณ์ต่างๆซึ่งก็เป็นความเนินช้าเป็นความยึดติดนะในอารมณ์ต่างๆเขาเรียกว่าเราไม่ไม่สามารถที่จะวางตัณหาได้นั่นเองนะเพราะว่าสมุทยัยหรือเหตุแห่งความทุกข์นั้นในข้อแรกก็คือการมาตัณหาการมาตัณหาก็คือความเพลิดเพลินในอารมณ์ต่างๆนั่นเองนะอนะคราวนี้ในสมุทัยนี้กล่าวไ ว, ไว้ว่าอย่างไรก็คือ อย่ายังตัณหาโปโนโภวิกานันทิราคาสาคาตาตัตละตัตลาภินันทีนีก็คือตัณหาสมุทัยก็คือตัณหานั่นเองตัณหาก็คือความเพลิดเพลินไปในอารมณ์ต่างๆ อ, อันเป็นทำให้เกิดการเกิดใหม่ขึ้นมาอีกนะอันได้แก่กามาตัณหา การปัญหาคือความเพลิดเพลินในตาหูจมลิ้นกายใจในรูปรสกลิ่นเสียงผดท่าพาทำอารมณ์นั่นเองนะอันนี้ก็เป็นประการแรกเลยนะเพราะใดผู้ใดที่ละความเพลิดเพลินในอจารณะต่างๆเหล่านั้นได้นะผู้นั้นก็ชื่อว่าละสมุทยนะัยหรือเหตให้เกิดทุกข์ไปได้ในระดับหนึ่งแล้วนะเพราะสมุทัยเป็นสิ่งต้องละนะแล้วก็ในประการที่สองก็คือภนะาะวะปัญหาก็คือความอยากได้อยากมีอยากเป็นทั้งหลายนะ นะแล้วก็วิภาวะตัณหาก็คือความไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นนะการผักใสนั่นเองนะคนใครที่สามารถละอ่าอ่าตัณหาทั้งสามได้ผู้นั้นก็ชื่อว่าละสมุทยัยเมื่อละสมุทยัยหรือละตัณหาได้วก็จะเข้าสู่นิโรธนะนิโรธก็คืออ่าโยตัสายว่าตัณหายะอเศะวิลาฆะนิโรโทรจาโคปนิสสะโคมุติอนารโยก็คือการละตัณหาทั้งหลายแหลได้นั่นเองนะแล้วก็จะเกิดการคลายออกตัณหา เกิดนิ โ, โรโธคือการดับเมืเหลืองของตันห า, าเกิดจาโโคคือการสละออของตันหาปฏินสโคการสลัดขืนงตันหามุติมุติคือการปล่อยการวางตันหาและนารโยคคือการทําให้ตันหาไม่มีเทีาศั ย, ยจิตก็เลยวางทั้งหมดได้เลยเนะพราะมาการที่สําคัญที่สุดก็คือการที่เราไม่ไปเพลิดเพลินในลมทั้งหลายนั่นเองนะไม่เพลิดเพลินในรูปแล้วกินเสียงผดทพะธรรมรม มันก็จะทำให้เราปฏิบัติธรรมได้ง่ายขึ้นอันนี้ก็คือหนทางที่ชาวพุทธเรานะเป็นเส้นทางในการเดินหนะทางเหล่านี้มีอยู่นะล่องรอยรอยเท้าก็ยังมีอยู่นะเพียงแต่ว่าเราจะเดินตามรอยเท้านั้นไหมนะเราแค่เดินตามรอยเท้าที่มีการเดินนำหน้าเราไปแล้วจากรอยเท้าที่พระเจ้าได้ทรงยังมีร่องรอยอยู่นะแล้วก็ครูบาอาจารย์ก็ยังทิ้งล่องลอยให้เราสามารถติดตามได้ แเราก็สามารถติดตามได้ในชาติไปวันนี้ซึ่งอนาคตก็ไม่แน่ว่ารอยเท้าเหล่านั้นจะยังจะลึกปรากฏอยู่สถานที่ให้เราเดินตามหรือไม่รอยเท้านั้นก็จะจางหายไปตามเวลาะแล้วเมื่อนั้นเมื่อไม่มีรอยเท้าที่นําให้เราเดินแล้วเดินตามแล้วเราก็จะลงทางแล้วก็จะเดินผิดทางและนั่นแหละคือคนทางนนั้ที่เราจะต้องเวียนไว่ายไปตายเกิดนับครนับชาติไม่ท้วนนะ เพราะในเมื่อรอยเท้ายังมีปรากฏอยู่แล้วก็ขอให้พวกเราเดินตามรอยเท้านั้นไปเถิดและนั้นเราก็จะได้ถึงความคป็นทุกเช่นเดียวกับอทีิท่านได้เดินนําพวกเราไปก่อนหน้า น, นั้นแล้วเนาะเพราะในั้นในโอกาสครั้งนี้ในโอกาสใกล้ปีใหม่นี้ก็ขอรัตนาบา ร, รมีคุณพระศรีรัตนตรยัยน้อมนั่งพวกเรามีความสุขความเจริญด้วยอายุวันนะักสุขาภ ร, รปฏิภานถนัสานสมบัติ และถึงซึ่งความพ้นทุได้ตลอดกาลนานเทิน